พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์พระคุณที่พวกเราคุ้นเคยในพระองค์ก็คือพระสัพพัญยูนะนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญยูคําว่าสัพพัญยูนี้เป็นยกปัญญาขึ้นเป็นหัวหน้าแต่ว่าหมายทั้งพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาคุณนะมันรวมความทั้งพระ การุณารวมทั้งทั้งพระบริสุทธิ์แต่ยกยกพระปัญญาขึ้นเป็นประธานานนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีปัญญาอย่างแท้จริงก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะช่วยผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราสวดมนต์ถึงระลึกถึงพระองค์เนี่ยโดยมากจะขึ้นต้นว่าอารหังอรหังสัมมาสัมพุทโธปะวาวเนี่ยนะ คำนี้เป็นคำที่ใช้บ่อยมากว่าพระองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นั้นโดยโดยคำเนี่ยนะเพ่งไปที่ความบริสุทธิ์คือพระผู้มีความบริสุทธิ์พระผู้มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาแล้วก็บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะกายกรรมไม่มีสิ่งใดที่เป็นโทษเลย วจีกรรมก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นโทษเลยแล้วก็มโนกรรมนนะความคิดทั้งหลายของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ว่าประกอบด้วยพิษภัยแล้วก็ทุกโทษเลยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะที่จะหาข้อตำหนิว่าแม้ทางกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพฤติกรรมบางอย่างที่สาวกกินแหน่งแคลงใจเช่นพระอนน์เป็นต้นกินแหน่งแคลงใจว่าทาไมพระพุทธเจ้าจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ ไม่เคยมีนยนะยิ่งใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเท่าใดก็ยิ่งจะเห็นแต่ความบริสุทธิ์ของพระองค์เท่านั้นันนที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประดุจเช่นกับดอกบัวเหมือนอย่างว่าดอกบัวทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยน้ําและโคลนตมเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นพอพ้นน้ําและโคลนตมไปแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นอายแห่งน้ําและโคลนตมอยู่เลยน้ําก็ไม่แปบเปื้อนและก็รูบไหล กลายเป็นดอกบัวที่บริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเนี่ยนะกลายเป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็ส่งกลิ่นศีลของพระองค์เนี่ยนะหอมไปในทั่วทุกทิศว่าพระองค์เป็นผู้มีศีลแม้เช่นนี้เช่นนี้ทั้นทางกายของพระองค์นั้นเป็นบริสุทธิ์ด้วยศีลทางวาจาของพระองค์ก็บริสุทธิ์ด้วยศีลทางใจของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ด้วยส ม, มถะแล้ว วิปัสนาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าผ่านการบ่มทั้งโดยสมถาวิปัสนาพระองค์เนี่ยบ่มด้วยกายคตาสติเนี่ยนะบ่มหรือเจริญคุณธรรมคือกายคตาสติบ่มด้วยคุณธรรมคืออะไรบ่มด้วยสมถาวิปัสนาบ่มด้วยสมาธิสมบ่มด้วยสติปทานสี่สัมมาปทานสอิทิบาทสบ่มด้วยสัมมาสมาธิมีองค์หบ่มด้วยอนุสติทั้งหลายเนี่ยนะบ่มด้วยกรรมฐานต่างๆ แล้วก็บ่มด้วยโพชงเจ็บ่มด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8บ่มด้วยองค์ที่เป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดความบริสุทธิ์ทั้ง9ประการแล้วก็บ่มทั้งอะไรโดยกสินเป็นต้นนะคือสรุปรวมความว่าพระองค์เนี่ยบ่มตัวเองนะชำระตัวเองให้มีความบริสุทธิ์ด้วยสมถะและวิปัสสนานพระองค์จึงมีพระคุณที่เป็นจริงของพระองค์เนี่ยนะที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนกรรมอรหัตผลเนี่ยหลายอย่าง คือพระองค์เป็นบุคคลที่ทอาอกุปาเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบให้ให้แจ้งแล้วดำรงอยู่ในภาวะแห่งพระอรหัตผล น, นะจะเรียกอันหนึ่งเลยก็ได้พระองค์คือผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยอกุปาเจโตวิมุตต์มีอรหัตผลที่ไม่กาเริบไม่มีสิ่งใดยังอรหัตผลของพระองค์ให้กำเริบหวนไหวอีกต่อไปเรียกว่าเข้าถึงธรรมที่ไม่กำเริบแล้ว พระองค์นั้นบริบูรณ์ด้วยวิชาและวิมุตตเนี่ยนะในด้านวิชาคือปัญญาหรือวิมุตตคือความหลุดพ้นไม่มีอะไรทำให้พระองค์ปกปิดหมายความว่าไม่มีสิ่งใดไปปกปิดความรู้พระพุทธเจ้าคือวิชาความหลุดพ้นของพระองค์ก็ไม่มีสิ่งใดจะเอาไปผูกไปมัดได้เพราะฉะนั้นพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและวิมุตตพระองค์นั้นได้วิชาสามเนี่ยนะเป็นผู้มีวิชาสาม หรือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธสกทาคา ม, มิผลอนาคา ม, มิผลและอรหัตตผลซึ่งเป็นภาวะที่สูงสุดนะคือภาวะแห่งอรหัตผลหรือพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีกองแห่งอาเสขธรรม5ประการพระองค์เนี่มีกองแห่งอธิศีนกองแห่งอธิจิตกองแห่งอธิปัญญาวิมุตนะกองแห่งวิมุติและก็กองแห่งวิมุตติยานทัศนะเนี่ยนะนะพระองค์เป็นผู้มีอภิน ญ, ญาหก พระองค์นั้นถึงเขาเรียกว่าขีณาสะวะกำลังของพระขีณาศกเจประการพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้วิชาแปดพระพุทธเจ้ามีอนุปปภวิหารสมาบัติ9าแล้วก็พระองค์มี อ, อาเศสขธรรม10ประการนั้นคุณธรรมเหล่านี้สามารถจำแนกแบ่งแยกได้อีกเยอะแยะเลยแต่อันนี้ยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งใดที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญ เสร็จสิ้นแล้วสิ่งใดที่ควรทำให้แจ้งพระองค์ก็ทำให้แจ้งคุณรรมเหล่านั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์พรเพราะอะไรเพราะพระองค์สามารถกําจัดข้าศึกศัตรูออกไปได้งนั้นความเป็นพระอรหันต์ของพระองค์คือผู้ไกลจากกิเลสคุณสมบัติต่างๆที่พระองค์ได้รับนั้นเกิดจากพระองค์เนี่ยละนะอรหันต์นีน่แปลว่าไกลจากกิเลสไกลก็แปลว่า ไกลจากอัสมิมานะเนี่ยนะหลังที่สวดเมื่อกี้บอกพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีมานะในหมู่สัตว์ผู้มีมานะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแตะตรงไหนไม่ได้เลยล้ำพองขึ้นมาทันทีว่างั้นเถอะอันนี้โดยปกติวิสัยของสัตว์ทั้งหลายล้ำพองด้วยอํานาจอัสมิมานะพร้อมที่จะมีมานะเนี่ยนะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเป็นกิ้งกิ้งกาดได้ทองหมดเลยว่างั้นคล้ายๆมานะแปลว่ากิ้งกาดได้ทองนะลักษณะล้ำพอง พยองพร้อมที่จะลําพองแล้วก็พร้อมที่จะพยองแต่พระพุทธเจ้าไม่มีอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่เคยอวดอ้าง บ, บักรู้จักเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยไปอย่างเงนะความคิดแบบนี้ไม่มีนั้นความคิดเหล่าใดที่อํานาจลําพองพยองนะถือตัวเย่อหยิ่งเป็นต้นไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นผู้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าถึงที่สุดที่เป็นอุปการะต่อสัตว์ทั้งหลาย ถ้าหากว่าเปรียบเป็นรูปธรรมเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินให้อุปการะแก่สัตว์อย่างเดียวสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยอาศัยแผ่นดินพวกอยู่พวกยาพวกอาหารทั้งหลายเนี่ยอาศัยแผ่นดินทั้งนั้นแหะใช่ไหมพวกเราทั้งหลายเนี่ยอาศัยแผ่นดินนะแผ่นดินเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งที่อยู่อาศัยเป็นทั้งยารักษาโรคเป็นปัจจัยสี่ทุกชนิดสิ่งเหล่านี้อาศัยแผ่นดินเนี่ยเกิดขึ้นนะแผ่นดินเนี่ยให้คุณที่เป็นอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายฉันใดพระพุทธเจ้าก็ให้สิ่งที่เป็น อุปการะแกสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นหรือน้ำเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีอุปการะอุปการะช่วยเหลือให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะได้รับแต่ความสุขสบายอาบเย็นชุม่มเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็มีความอุปการะเช่นนั้นนะหรือเหมือนกับแสงสว่างให้แก่อุปการะแก่สายตาของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุแห่งโลกหรือผู้มีจักษุในโลกก็มีอุปการะต่อสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นหรือว่า สิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปการะพระพุทธเจ้าเสมอด้วยสิ่งนั้นและดียิ่งกว่านั้นก็บอกว่าจะเอาแผ่นดินมาเปรียบกับพระพุทธเจ้าเลยแผ่นดินไม่มีเจตนาสรุว่าไม่มีหัวจิตหัวใจพระพุทธเจ้ามีใจแต่ทาตัวเป็นประโยชน์เกื้อกูลแกสัพพสัต์ทั้งหลายยิ่งกว่าแผ่นดินเนี่ย น, นะอย่าเอาพระองค์ไปเปรียบกับน้ำอย่าเอาไปเปรียบกับลมอย่าเอาไปเปรียบกับอากาศเลย นะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีเจตนาแต่พระพุทธเจ้ามีเจตนาพระองค์มีสติมีปัญญามีคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะฮั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยที่ไม่มีความถือพระองค์ด้วยอำนาจมานะเลยด้วยอำนาจอัศมิมานะลำพองเป็นต้นไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะความลำพองมานะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดโทสะเป็นต้น เป็นเหตุให้เกิดอกุศลอย่างอื่นตามมาเป็นต้นพระองค์นี้กำจัดสิ่งที่ควรกําจัดฆ่าศึกศัตรูของพระองค์เนี่ยออกไปแล้วคือมานะพระองค์กําจัดตันหาที่นําไปสู่พบใหม่กําจัดอวิชชาที่ปกปิดความจริงทุกประการเนี่ยนะนะพระองค์นั้นจึงมีวิชารอบรู้ทั้งหมดเนี่ยน ะ, นะะพระองค์กําจัดอวิชชาเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วกําจัดตันหาที่นํา ไปสู่พบใหม่ได้แล้วตัณหาอันนั้นไม่ว่าจะเป็นกามะตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาที่ฉุดไปสู่พบใหม่เพราะพระองค์ข้ามพ้นโอคะทั้ง4เนี่ยนะกามโมคะพระองค์ก็ข้ามด้วยอนาคามิมัชเนี่ยนะทิโธคะพระองค์ก็ข้ามด้วย ส, สกสทาคามิมัชอ่าละพระโวคะและอวิชโคะพระองค์ก็ข้ามด้วยอรหัตตมัชเนี่ยนะพระองค์ข้ามห้วงน้ําบาปอากุศลเนี่ยนะข้ามอากุศล ที่เปรียบประดุดหว่วมน้ําที่ท่วมทับทําให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัตตะพระองค์ข้ามสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะไม่เท่านั้นแม้แต่เครื่องหมักดองเครื่องหมักหมมอาสะวะกิเลสทั้งมวลเนี่ยพระองค์ก็กําจัดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกามาสะวะภาวสะวะอวิชชาสะวะทิฏฐาสะวะอาสะวะเหล่าใดเหล่าใดเครื่องหมักหมมเครื่องหมักดองเหล่าใดพระพุทธเจ้ากําจัดเครื่องหมักหมมเครื่องหมักดองเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะ หรือแม้กระทั่งรูปปัญหาสีทั้งหลายในโลกพระพุทธเจ้ามีตามมองเห็นแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเยื่อใหญ่ไม่มียางใ่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเลยซึ่งต่างจากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะปกติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสมมตว่าตัญหาที่มันแผ่ซ่านไหลมาทวานตาเนี่ยถ้ามันเท่ากับเส้นใยแมงมุมเนี่ยท้งสายมันเยอะมากเลยนะมันพุ่งมาเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเข็มที่มันพุ่งออกมาแล้วไปรัดกันไว้กับทุกเรื่องแล้วก็ มันเหนียวยิ่งกว่าโซ่กลางั้นมันเหนียวมากงั้นนะถ้ารูปปัญหาของสัตว์ทั้งหลายที่แปะไว้ทั่วไปหมดสัทธาปัญหาเสียงทั้งหลายที่ผูกรัดที่ตัญหาที่ไปมัดไว้กับเสียงสารพัดเสียงไปมัดไว้กับสารพัดกลิ่นไปมัดไว้กับสารพัดรสสารพัดสัมผัส ท, ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่ยินดีเป็นที่เพลดิดเพลินแห่ง ใจแห่งสัตว์ทั้งหลายตัณหาเหล่านี้ตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปปตัตนหาเป็นต้นพระองค์ตัดเสร็จสิ้นหมดแล้วเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าตัณหาที่มีอยู่ในอารมณ์หกทั้งหลายตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโภชพระธรรมรมคือสรุปว่าไม่มีตัณหาเครื่องรูปไหลในทุกอารมณ์นะไม่มีอกุศลเนี่ยนะเกลือกกล้วอยู่ในทุกอารมณ์ขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ป่วยทางความคิดแล้ว เพราะไม่มีนิวรณ์ที่ทําให้จิตใจเนี่ยป่วยทุรพลเนี่ยแปลว่าหมดแรงทุระแปลว่าหมดสภาพอะไรอย่างนั้นกําลังเนี่ยกำลังใจนี่หมดสภาพพระองค์นี้ไม่มีนิวรณ์เนี่ยนะไม่มีนิวรณ์ที่ทําให้สภาพจิตนี้เป็นเป็นจิตที่หมดสภาพเป็นจิตที่ไร้คุณภาพเพราะพระองค์กําจัดนิวรณ์ทั้ง5้าได้เสร็จสิ้นแล้วกําจัดตัณหาในอารมณ์6แล้วก็อนุสัยกิเลสกิเลสที่มันมีกําลังตามอารมณ์ต่างๆพระองค์ก็ รากเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่มีปียรูปสาตรูปเหล่าใดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการมราคานุสายของพระองค์ไม่มีอะปียรูปอาสาตรูปสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาจะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะของพระองค์ไม่มีสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งโทสะก็บอกว่าเอาของหอมที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะมารูปไรสรีระครึ่งหนึ่ง ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาแบบเอามีดมาพรามาค่อยๆแล่ออกพระองค์ไม่มีฉันทราคาในของหอมที่มาลูบไล้ไม่มีโทศเครียดหรือโกรธไม่พอใจในมีดที่มาค่อยๆเถือหรือแล่ออกไปพระองค์เนี่ยกำจัดการกามราคานุสใสภาว ะ, ะการมาราคาานุสัยปฏิคานุสัยมานานุใสเนี่ยนะกำจัดทิฏฐานุสัย วิจิกิจชานุสัยอวิชานุสัยกำจัดอนุใสทั้งเจ็ดเนี่ยนะกิเลสที่ถึงกําลังมีความมันมีเรี่ยว ม, มีแรงมากอนุใสเนี่ยนอนแต่ไม่ได้แปลว่าหลับอนุใสเนี่ยโดยศัพบแปลว่าอนุสยะสยะแปลว่านอนเนี่ยเช่นสายญาศสยะตัวนั้นโดยมากแปลว่านอนอนุสยะก็แปลว่าตามนอนแต่ไม่ได้หลับมานะอนุสัยไม่ได้แปลว่าหลับแปลว่านอนก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าหลับเนี่ยนะแปลว่าเตรียมพร้อมเสมอพร้อมที่อะไร พร้อมที่จะเกิดได้ทันทีเมื่อได้ปัจจัยอันสมควรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกำจัดเนี่ยนะกำจัดอนุสัยทั้งหลายเหล่านั้นได้แล้วและพระองค์กําจัดความคดหนทางผิดความผิดทางกายวาจาใจด้วยมิจฉามรรคพระองค์กําจัดเสร็จสิน้นกําจัดมิจฉาทิฏฐิสารพัดมิจฉาทิฏฐิที่อยู่ในใจเนี่ยนะถอนรากถอนโคนออกมาหมด กำจัดมิจฉาสังกับปะมิจฉาวาจาไม่มีเลยไม่แต่คําเดียวนะมิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉามัดทุกชนิดพระองค์กําจัดเบ็ดสิ้นแล้วเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิพระองค์ถอนรากถอนโคนไม่ต้องมีใครมาคอยปกปักรักษาว่าพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิชั่วบางอย่างที่ต้องให้คนอื่นมาแก้ไขมีแต่พระพุทธเจ้าไปแก้ไขทิฏฐิคนอื่นแต่คนอื่นไม่มีใครไปแก้ไขทิฏฐิของ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีแสงสว่างใดที่ไปช่วยส่องให้อาทิตย์สว่างขึ้นมีแต่ว่าดวงอาทิตย์ช่วยส่องให้แสงอื่นๆเนี่ยสว่างขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแล้วมันพระพุทธเจ้าเป็นคนที่สว่างที่สุดจึงไม่มีความลุ่มหลงเข้าใจผิดเห็นผิดรู้ผิดมียาผิดเป็นสัสนตะทิฏฐิอุเฉต ท, ทิฏฐิเป็นตน้นหรือเป็นทิฏฐิเหล่าใดที่ไม่นาออกจากวัตะพระองค์เนี่ย กำจัดมิจฉาทิฐิสารพัดชนิดได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิเหล่าใดเนี่ยนะ